ตอนพนุ่มพประคน่ามความามือนพระเจ้าพระสง์กอาจารย์บินทบาทในวัดเดวเมื่อกี้นี่ทงรุ่นเขาก็จากบรลเรื่องบินทบาทพระเพิ่งไดเลาไว้แแดดหลังอย่ได้อันนี้สงมากพระที่สูสูงไปบินตบาทได้ใส่บาทเพื่อให้พระสง์รักษาคอวัดทุดงขวัด โดยจะเพื่อจังยิ่งพระเพื่อสู้ดูอยู่ว่านเขาทําอาหารให้พระสงฆ์มันแข็ไม่ได้ถึงแขนได้เรากันทํากันหือมันไม่บริสุทธิ์คือว่าพระาวพันเฮาคนกินปลอิ่มอินปลาแทบกินได้เยอะมันก็คักใจนะพระดูอยู่ว่าตเนื่องแล้วอาหารทุกประเภทมังสังในมังสังสิบอย่างเนี้ย <c oughs> หนังคนกับไอ้บางแหง่งพระยังเห็ดสันกับมีขุนเห็ดจิลําบากคนเพราะถือข้ามยีในถืไปดูปยังไงเห็ดยังไงแต่ให้ดูเห็ดสันมันก็เพรมันหน้าที่ของพระหน้าที่ของพระสงฆ์รักษาพระธรรมย่ในการเผยแผ่พระศาสนาส่าขาการปฏิบาตมันไม่เป็นไปในทางเกลือ น, นุ่งเหือนอยู่ด้วยความทุกข์คนได้เห็นทุกข์คนนั้นเห็นธรรมอยู่ด้วยความทุกข์ไปแ บ, บอยู่ทุกทุ ก, กยาก ดึงเหนื่อยจากงมแต่ว่าถูกขั้งใจที่แบบร่า ง, งก า, กายมันไปตามหนา้าที่ใจมีความสุขดิเพราะถูกต้องตามหลักทำภาในแล้วก็มีความสุขเลยคุณพเรื่องันนี้ก็จะง่อยกันเฝ้าเหยียบตาแล้วเนดอกจึงน้าเสียเราหยั่งไมดึงนอยผู้นึงอยู่จันทบุรีมันไปเที่ยวขึ้นแตีงไฟ้แบมันบันไดมันเลื่นตกลมหกลมก็ยัง มาสมบูรณ์แบบเท่าชุมมือนี่ยุ่นี้ยบขายยุคนอันนี้คืกอกันนี่ันหามันเป็นมากเห็นมาสันจะรักกี่แรกเครืองไม่ตกทับกันใครก็ตกถือคนห่อมันถึกควลังถึอลูกควลังมึงแนเรื่องเล่าถือหวัวใสมันก็ป้องกันไว้เพื่อจะใครมวยปัญหาสันนี้ปัญหามันเนี้ยนี่ปุ้ยปัญหาปุ้ยปัญหาปัญหามันมีเป็นตั <c oughs> ้งแต่บร์เพราะฉะนั้นก็มาจากเหตุลําบีลำไส้ เ, เรื่องของโลก เป็นแนวทางอื่นยบไข่ได้ป่วยด้วยกันนั่งสมาธิไข่แน่ดิเป็นมันเป็นนี่ด้วยกันโลกหันนะเป็นง้เมียนยางไปเห็ดีอย่างตื่นเนว่ามันแน่เพราะเจ้ากับคนอนุญาตว่าจ้เห็ดพั่มเพื่อว่าให้ปุงพั่มเพื่อปุงไปมันก็ว่สิ้นสุดแล้วเฮ็ดทั้งสั่นทั้งทีทังสั่นที่เรื่องของโลกไหมมันว่าสิ้นสุดดิอยากให้รู้กับพอเห็ดจะเเห็ดวเฮ็ดจะให้เห็นแล้ววีวันแล้ววนี้วันเสาร์อยากทำใหาเน้นหนักภาคความใจ มันอยู่ได้แต่ว่ามันหนึ่งว่าเป็นแนวทางของพระพุทธเจ้าดีบว่แนวทางของโลกยู่ธรรมะเราได้เป็นไปเพื่อความถอดถอนเกลเ่อนมันเป็นเรถอดถอนเกลื่อนว่ามันก็พูงไปจะเคไปเรื่อย่างเค็ดไปเรื่อยจะทำไปเรื่อยเคล็ดไต่มันหมเอื่อยแล้วเสียเคล็ดมันก็มาสิ้นสุนนสดในเรื่องของโลกกว่าปัจจุว่าโลกนี้ไม่แน่นอนโลกนี้แม้สิ้นสุดใช่ไหมเห็นบอกพระพุทธเจ้าถึางก็แค่นี่แค่นี่ ระเราได้เป็นไปเพื่อถอดถอนเกลื่อธรรมะเราได้เป็นไปเพื่อย่อโยงส่งเสริมเกล่อที่ยอมใจธรรมะเราได้เป็นไปเพื่อกลือย่อใจนันว่าเป็นทางของผูเจ้าดิมันเก่มันก็หลายประเภที่มม่นจะมาตัเรื่องรักจ้างเดียวดีบันนะฮะอื่นตอนไหนเนะยคิดมันน่ยมันละเอียดกว้างนี่ขอสินสมของผูเจ้าเปนทางตัดแล้วเป็นทางสยุ้ัทงสายผู้เจ้าเอ้ตอนนี้ก็ละเอียดด้วยเพราะว่า ในโลกคนในโลกดูต่อไปเป็นตัวอย่างนะแล้วถ้าเก็ดเอาตามก็เหวนว่าตนไปอ้างไปอ้างยิงสั้นสั้นจุยกันอยู่ป่าเน้ตัดตูลูกอยู่ป่าเพียงเปียงบอกเป็นเปียงบ่กตัดตูลูกในภาษาระดับกลางนั่นนึกหลายปภาษาตัวเหมือนยุไปรยุทธสั้นสั้นว่าเป็นแนวทางของสุดท้ายภายหลังัแต่ทำไมทั้งท่านตัดคุยกับว่าเป็นเพียตัดตะลู่ให้ตั้งไดท่าน เออเก็บมันรนละเอียดเลยมัก็เิกรถือคือเขาได้แล้วพวกลเอียดที่การเขาลนหลอกกินเจ้าองว่าหูหอกเอาสูกูไปบวชน้ำเขาเตะด็กาเจ้ากวิเจ้าหูเจ้าหวู่เจ้าหัว่ามาปีมว่างอยู่มือเดียวแต่ที่สีด สิบเอ็ดมือร่วมของวัดประปงสิบสองมือทอดพัะปูงเห็ดน้ำก็เอามือนั่นขันเอ็ดน้ำก็เอาไปเลยมาเมือไดก็ได้นะแล้วก่อนอะอะ I. Wow.